พวกเราหัดสังเกตการปฏิบัติมันไม่มีอะไรมากกันนะให้สังเกตใจของเราไว้ให้ดีใจของเราทำงานสองแบบแบบหนึ่งคือไหลไปไหลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจไหลไปหาอารมณ์ตลอดเวลาคนทั้งโลกแล้วก็สัตว์ทั้งหลายนะยกเว้นพวกพระปล่มนะคนทั้งโลกแนละสัตว์ทั้งหลายยกเว้นพระปลม่มฉิดมันไหลไป เดี๋ยวก็หลงไปดูหลงไปฟังหลงไปดมกลิ่นหลงไปริ้มรสหลงไปรู้สัมผัสทางกายหลงไปรู้อารมณ์ทางใจหลงไปคิดไปนึกไปปรุงไปแตง่งนี่คนทั่วๆวไปสัตว์ทั่วๆไปเป็นอย่างนี้เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นทาไมมันต้องไหลไปเพราะมันหิวมันหิวอารมณนะ์เมันอยากได้รูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสทางกายสัมผัสทางใจ อยากได้สิ่งเหล่านี้ได้มาเป็นอาหารหล่อเลี้ยงความเป็นตัวเป็นตนตกลัวว่าตัวเราจะหายไปจากโลกออกไปสัมผัสสิ่งต่างๆ่นะเป็นอาหารมาหล่อเลี้ยงความเป็นตัวเป็นตนเหมือนร่างกายนี่กินข้าวใจก็เที่ยวผิวอารมณ์ร่างกายกินอาหารนะใจก็กินอารมณ์เพื่อจะหล่อเลี้ยงตัวเองไหมไมันกลัวตัวเองหายไป ถ้าเราสังเกตให้ดีไม่ว่าเราทำอะไรเราจะคิดเราจะทำเราจะพูดนะเบื้องลึกที่อยู่ข้างหลังก็คือเพื่อเซิร์ฟอัตราตัวตนส่งเสริมอัตราตัวตนรักษาอัตราตัวตนลัวหวงตัวเองนี่คนทั้งโลกเป็นอย่างนี้สัตว์ทั้งโลกเป็นอย่างนี้ฉะงนั้นจิตใจจะแสบใส่ตลอดเวลามันใส่ไปเพราะมี แรงผลักดันที่เรียกว่าตัณหาผลักดันใจให้วิ่งไปถึง น, นู้นวิ่งไปทางนี้วิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจวิ่งไปเพราะมันหิวมันก็เลยอยากวิ่งอยากได้หิวอารมณ์อยากจะเสพเวทนานั่นแหละมันก็เลยเกิดตัณหามันอยากได้เวทนาอยากเสพอารมณ์าอารมณ์นั้นนำความสุขมาให้ก็อยากได้สุข จิตใจก็เกิดตัญหาเกิดแรงดิน้นพยานออกไปจิตใจอยากจะหนีความทุกข์จิตใจก็ดิ้นออกไปดิ้นออกไปเรื่อยๆมีความสุขเพื่อตัวเราจะได้มีความสุขหนีความทุกข์เพื่อตัวเราจะได้พ้นทุกข์ลึกๆเลยตัวเรานะอีกพวกหนึ่งจิตเห็นว่าจิตเนี้ยดิ้นไปเรื่อยๆนะไม่ดีก็เลยเพียงน้อยไม่อยากให้มันไหลไปก็เพียงน้อยนะ จิตพระรหันนะไม่ไหลไปโดยที่ไม่ต้องเพ่งเอาไว้นี่ความประหลาดอยู่ตรงนี้จิตของคนที่ไม่ใช่พระรหันนะมันจะไหลไปถ้าจะไม่อยากให้ไหลไปต้องเพ่งเอาไว้กดมันไว้ให้นิ่งๆไม่ให้มันไหลให้มันยังมีแรงดิ้นเมื่อมันมีแรงดิ้นนะก็ไปกดมันไว้ไม่ให้มันกระตุกกระติกกดมันไว้พอดตินแล้วมันไปหาอารมณ์มาไม่ชอบ เดี๋ยกลัวว่าจะมีความทุกข์สู้ใจนิ่งๆไม่ได้นี่พวกนักปฏิบัติทั้งหลายก็พวกนักกดจิตกดใจกดกายนะไม่กดใจก็กดกายเพ่งกายเพ่งใจบังคับกายบังคับใจนะถ้ากลัวจิตมันไหลไปหากความทุกข์มาใส่ตัวเองอยากให้มันนิ่งนี่โดยสัญชาตญาณเลยทันทีที่คิดถึงการปฏิบัติมนะ เ, ตเมนนื่อไหร่นันะ้นก็บังคับตัวเองให้นิ่งมานั้นอะย่างคุณที่อยู่วัดเนี้ก็บังคับตัวเองให้นิ่งะ เพราะฉะนั้นคนทั้งหลายนะจิตมันไหลไปอย่างเดียวส่วนผู้ปฏิบัติเนี่ยเห็นว่าจิตมันไหลไปแล้วก็ไปบังคับให้มันนิ่งดงนั้นจิตเลยมีสองแบบไม่ไหลไปก็นิ่งๆกดเอาไว้ถ้าไม่ไหลก็ต้องกดไม่ไหลก็ต้องกดนะแต่สำหรับพระอรหันต์แล้วจิตไม่ไหลไปโดยที่ไม่ต้องกดไม่มีงานต้องทำไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษาไม่ต้องเจริญสตินะ ถ้าจิตมันไม่ไหลไปเองทําไมจิตมันไม่ไหลไปเพราะจิตมันฉลาดจิตมันมีปัญญามันรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจรู้อายตนะภายในภายนอกรู้ว่าทุกสิ่งทุกอย่างนี้เป็นแต่ทุกล้วนๆตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นของเป็นทุกข์รูปเสียงกลิ่นรสผลพระธรรมณ์เป็นของเป็นทุกข์ รูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเนี่ยบางคนก็แบ่งอย่างนี้ก็เป็นทุกข์อีกนะอะไรอรก็ทุกข์หมดเลยธาตุสิบแปดก็เป็นทุกข์นะแล้วแต่จะมองนะแต่แจ่มแจ้งในกองทุกข์นั่นเองนะคนที่เป็นพระอราหันต์นั่นคือคนที่แจ่มแจ้งในกองทุกข์รู้เลยรูปเสียงกลินล่นรสปวดตาพระตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวทุกข์ความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเป็นตัวทุกข์นะรูปเสียงกลินล่นรสปวดตาพระอะไรทั้งหมดนะ รูปเบทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวทุกข์ในอย่างนี้ไ ม, ไไม่ไม่มีอย่างอื่นนอกจากตัวทุกข์เมื่อเห็นมันเป็นตัวทุกข์ไม่มีตัวดีตัววิเศษไม่มีช่องโหวที่จะรอดจากความทุกข์เลยใจก็หมดแรงดิ้นหมดความหิวโหวยไม่รู้จะหิวทาไมมีแต่ทุกข์เหมือนเรารู้ว่านี่เป็นยาพิษเห็นว่าเนี่ยมันคือยาพิษเราไม่ไปกินมันคนทั้งหลายกินอารมณ์เข้าไป เราไม่รู้ว่ามันเป็นยาพิษเพราะฉะนั้นกินอารมณ์เข้าไปที่เป็นยาพิษเข้าไปนะมันเลยต้องตายแล้วตายอีกนะเปลี่ยนว่ายตายเกิดแต่พระอระหันต์นะมีปัญญาเห็นความจริงของรูปธรรมนามธรรมเห็นความจริงของขันหา่าเห็นความจริงของอายตนะภายในภายนอกเห็นความจริงของธาตุทั้งสิบแปดธาตุธาตุสิบแปดมันก็คืออายตนะ ภายในภายนอกนะแล้วก็ความรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกใจรวมแล้วอย่างละหอย่างละหกนะเป็นสิบแปดท่าสิบแปดจะเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆนะทุกข์ล้วนๆนะไม่รู้จะบำรุงรักษามันไว้ทำไมตัวจิตเองก็เป็นตัวทุกข์ล้วนๆไม่เห็นจะต้องไปบำรุงรักษาไม่เห็นจะต้องไปหวงแหนมันเลยก็ปัดมันทิ้งไปหมดสลัดมันทิ้งไม่ยึดถือมัน เมื่อไม่ยึดถือมันนะไม่ต้องระวังรักษาด้วยแล้วมีปัญญาเห็นแต่ทุกข์ล้วนๆจิตจะไม่มีการไหลไปเพราะนั้นจิตไม่มีไหลไปไหลมานะจิตเสถียรจิตเสถียรไม่ไหลไปไม่ไหลมารู้ตื่นเบิกบานไม่มีงานคือไม่ต้องไปกดไม่ต้องไปบังคับไม่ต้องไปควบคุมไม่มีงานทำ้วสบายนะสบาย ดังนั้นจิตพระลรหันนะไม่ไหลไปโดยที่ไม่ต้องบังคับไว้ส่วนจิตของผู้ปฏิบัตินะถ้าไม่บังคับไว้ก็ไหลไปนี่เราคิดว่าบังคับไว้แล้วเราจะเป็นพระรละหันหรือไม่มีทางเลยทางที่จะทําให้เป็นพระละหันได้ก็คือต้องรู้ความจริงลงมาในขันห้าอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโภัพระธรรมารมณ์ธรรมารมณ์คืออารมณ์ที่รู้ด้วยใจนะ บทพรา ค, คือสิ่งที่งมากระทบร่างกายได้แก่เย็นร้อนอ่อนแข็งทั้งหลายเนื้ยถ้ารู้แจ้งสิ่งเหล่านี้นะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ล้วนๆนี่มีปัญญาจแจ้งนะใจมันจะหมดแรงดิ้นหมดการไหลไปมันจะไหลไปทางตาทําไมในเมื่อรูปไม่ใช่ของดีของวิเศษในเมื่อตาไม่ใช่ของดีของวิเศษมันจะไหลไปทางหูทําไมในเมื่อเสียงไม่ใช่ของดีของวิเศษ ขูไม่ใช่ของดีของวิเศษไมันจะไหลาทางใจทําไมในเมื่อธรรมารมณ์ไม่ใช่ของดีของวิเศษใจไม่ใช่ของดีของวิเศษเะนั้นมันจะไม่ไหลไปเพราะมันมีปัญญา ม, มีแต่ทุกข์อะไหลไปทีไรก็มีแต่ทุกข์ไหลไปทีไรก็มีแต่ทุกข์ตัวขันห้าเองก็เป็นทุกข์ไหลออกไปเสพอารมณ์อารมณ์ทั้งหลายก็เป็นทุกข์อีกนะเห็นอย่างนี้เลยไม่ดิ้นเลยหมดแรงดิน้นไม่ต้องระวังไม่ต้องรักษานะเคยมีคนหนึ่งมาถามหลวงพ่อบอกว่า พระละหันเนี่ยคือคนที่มีสติรักษาจิตตลอดเวลาใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่พระละหันไม่รักษาจิตนะคร mm ับ hmm. นะข้อถามอีกทีหนึงพระละหันขาดสติใช่ไหมนี่ไม่ต้องมีสติรักษาจิตแล้วพระละหันขาดสติใช่ไหมไม่ใช่อีกถ้าขาดสติมันเป็นกิเลสนะพระละหันไม่ได้มีกิเลสนี่พระละหันไม่ได้ไม่ได้ขาดสติแต่พระละหันไม่ได้เอาสติไปรักษาจิต เพราว่าปล่อยวางจิตไม่ต้องรักษามันทิ้งมันไปแล้วแต่ขาดสติไม่ไม่ขาดสตินะยืนเดินนั่งนอนรู้สึกตลอดเลยก็ทั่งกลางคืนเนี่ยคนทั้งหลายฝันแต่พระอรหันตคิดไม่เหมือนกันคนทั้งหลายฝันเพราะว่าเวลาใจของเราคิดเนี่ยมันจะสร้างอิมเมจขึ้นมาตลอดเวลามันจะมีอิมเมจมีภาพในใจขึ้นมาสังเกตไหมเวลาเราคิดเราจะสร้างภาพในใจขึ้นมาเวลาพระอรหันตคิดจะไม่มีอิมเมจ อันนี้หลวงพ่อก็ไม่ใช่คนสังเกตเห็นคนแรกนะในตุนดังตรีนะ่ะวันหนึ่งมื่าคุยกับหลวงพ่อบอกว่าเอผมเที่ยวสังเกตจิตไม่บอกนะว่าจิตใครบอกเวลาคิดนี่ไม่มีเมตในสังเกตจิตจันมหาบัวก็ไม่มีเม็ตสังเกตจิตพระบางองค์ก็ไม่มีเม็ดคิดเฉย ๆ, ๆคิ ด, ค ด, ค ด, คดจากความว่างคิดแล้วก็ว่างอยู่อย่างนั้นเองะ เมื่อมันไม่มีเมธก็คือมันเหลือแต่ความคิดล้วนๆไม่สร้างอะไรที่เกินจากการคิดขึ้นมานะไม่มีความเป็นตัวเป็นตนไม่มีภาพใดๆเกิดขึ้นเวลาที่คนเราฝันนะั่นก็คือคนเราคิดนั่นเองแต่คนเราคิดทั่วๆไปนะเราคิดยังมีอิเมธอยู่มันก็เลยเป็นตูเป็นตาเป็นจริงเป็นจังขึ้นมานะเวลาพระอรหันต์นอนหลับเนี่ยบางทีจิตก็จิตรู้ว่าจิตคิดนะ แต่ไม่มีภาพแห่งความเป็นตัวเป็นตนใดๆผุดขึ้นมาเลยคิดไม่มีรูปคิดไม่มีรูปไม่มีนามคิดอยู่ในความว่างๆมันไม่ทุกนะเพราะมันไม่ได้ยึดอะไรมันไม่ปรุงอะไรนั้นพวกเรานี่หลวงพ่อเล่าให้ฟังนะวันหนึ่งพวกเราจะเจอสิ่งที่เล่านี้วันนี้ยังไม่เจอแต่วันหนึ่งข้างหน้าจะเจอ ถ้าอดทนถ้าภาคเพียรเจริญสติปัฏฐานไปเรืยมีสติรู้กายมีสติรู้ใจทำไมมีสติรู้กายรู้ใจไปเรื่อยต่อไปก็จะแจ่มแจ้งอย่างทั้งกายทั้งใจทั้งรูปทั้งนามตาหูจมูกลิ้นกายใจรูปเสียงกลิ่นรสโวดทัพระนิก็ล้วนแต่เป็นรูปเป็นนามทั้งสิ้นเลยตาหูจมูกลิ้นกายนี่เป็นรูปธรรมใช่ไหมใจเป็นนามธรรมรูปเสียงกลิ่นรสโวดทัพระเป็นรูปธรรมธรรมมารมมีทั้งรูปธรรมและนามธรรม นะได้มีแต่รูปกระรมนามมาทํา ท, ทั้งหมดเลยเท่านั้นแจมแจ้งในกองรูปกองนามนะแจมแจ้งก็ไม่ยึดถือมันนะบางทีท่านก็เรียกรูปนามว่าโลกคําว่าโลกนะโลกคำว่าโลกคืออะไรโลกคือรูปกนามนะบางทีท่านบอกโลกคือมูสัตว์มูสัตว์จริงๆคืออะไรก็คือรูปกนามพระพุทธเจ้าเป็นโลกวิวถูผู้รู้แจ้งโลก รู้แจ้งโลกคือรู้แจ้งรูปกระนามไม่ใช่รู้แจ้งภูมิศาสตร์นะคนละเรื่องกันรู้แจ้งโลกคือรู้แจ้งรูปประธรนามธรมร ม, มา ท, ทั้งหมดทั้งสิ้นว่านี่เป็นกองทุกข์ล้วนๆดังนั้นใจท่านไม่ไหลไปโดยที่ไม่ต้องบังคับไว้ท่านก็มาสอนให้คนอื่นมารู้โลกตามท่านมารู้รูป ร, รู้นามตามท่านจนรู้รูปรู้นามแจ่มแจ้งเป็นพระอรหันต์ใจก็ไม่ไหลโดยไม่ต้องบังคับไว้ใจก็ไม่ปรุงไม่แต่งนะคิดได้ คิดนึกได้แต่ไม่สร้างอิมเมจไม่สร้างความเป็นตัวเป็นตนใดๆขึ้นมานะว่างๆนะสังเกตไหมพ อ, ลพอหลวงพ่อหยุดพูดใจก็ไหลไปสังเกตไมพอหยุดหลวงพ่อหยุดพูดปุ๊บใจก็ไหลความจริงตอนหลวงพ่อพูดก็ไหลนะไหล ม, มาฟังไหล ม, มาฟังสลับกับไหลไปคิดสลับกันไปเรื่อยๆบางทีก็ไหล ม, มามองหน้าหลวงพ่อหน่อยแต่หลวงพ่อหยุดพูดทีแรกนะ ไหลมามองหลวงพ่อว่าทําไมหลวงพ่อหยุดไปพอเห็นหลวงพ่อฉันน้ำนะคราวนี้ได้โอกาสแล้วไหลวิจิตเห็นไหมจิตจะไหลไปเรื่อยๆให้รู้ทันนะไม่ใช่ให้บังคับให้นิ่งอย่าไปบังคับให้นิ่งอย่าไปกําหนดถ้ากําหนดนั่นแหละคือการบังคับกําหนดเป็นภาษาขเขมรนะกาหนดไม่ใช่ภาษาบาลีนะกําหนดเป็นภาษาขเขมรแปล ว, ว่ากดเอาไว้กดกดนะกดเอาไว้กดเอาไว้ไม่ใช่การเจริญสติ งั้นเราชอบพูดเตียนติดปากนะกําหนดรู้รูปกําหนดรู้นามไปกําหนดทำไมกําหนดแปว่ากดให้เราลึกรู้รูปเราลึกรู้นามเนี่เราลึกรู้ไม่ใช่ให้กดเราลึกรู้คือสติมันนําหน้าที่เราลึกกดเนี่ยกดไว้ให้ผมไว้มันทําด้วยกิเลสงั้นเราลึกรู้นะเรารลึกแปเราลึกรู้รูปธรรมนามธรรมนะมีเงื่อนไขอันหนึง่งเราลึกด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางสักว่ารู้สักว่าเห็น จิตมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นถ้าเรามีสติรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจมีสัมราสมาธิใจตั้งมั่นในการรู้การเห็นเราจะเห็นรูปอยู่ห่างๆอย่างร่างกายเนี่ยเราเห็นร่างกายอยู่ห่างๆนะจิตอยู่ต่างหากร่างกายอยู่ต่างหากมีช่องว่างมาขั้นนี่คนเห็นตรงนี้มีเป็นพันๆแล้วนะที่เรียนกับหลวงพ่อนะเราจะเห็นว่าเวทนาทั้งหลายกับจิตนะมีช่องว่างมาคั้น เวทนาขจิตไม่ได้เข้าไปแนบกันนะจิตก็ไม่ได้เข้าไปแนบในกายจิตไม่เข้าไปแนบในเวทนาจิตไม่แนบในกุศลอกุศลการที่จิตมันไม่เข้าไปแนบนะโดยที่เราไม่ได้จงใจบังคับเนี่ยเรียกว่าจิตมันมีความตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นจิตที่เข้าไปแนบเข้าไปก่ออารมณ์นี้ไ ม, เ ม, ม, ม่เรียกว่ามีสัมมาสมาธิเรียกว่ามิจฉาสมาธิ หลวงพ่อก่อนบวชนะหลวงพ่อตะเวนไปตามสำนักปฏิบัติ ด, ดังๆเนี่ยไปมันแทบทั้งนั้นอะได้พบความจริงอันหนึ่งว่าส่วนมากไม่มีสมาสมาธิจิตนี่จะไหลลงไปเพ่งอารมณ์คนไหนรู้ลมหายใจนะจิตจะไหลไปอยู่ที่ลมหายใจเป็นแนบอยู่ที่ลมเลยคนไหนดูท้องพองยุบนะจิตไหลไปอยู่ที่ท้องเป็นแนบอยู่ที่ท้องคนไหนเดินชงกลมยกเท้ายั้งเท้าจิตเป็นแนบอยู่ที่เท้า ไหนขยับมือสายหลงเพะเตียนขยับมือส่วนใหญ่นะจิตไหลไปอยู่ที่มือจิตแนบเข้าไปถ้าจิตไม่เข้าไปแนบนอารมณ์นะจิตก็หลงไปคิด ต, ตรงที่จิตไปแนบอารมณ์คือไปกดเอาไว้นั่นเองตรงที่หลงไปคิดคือมันไหลไปโดยธรรมชาติเดิมของมันซึ่งยังไม่ฉลาดยังมีมอวิชชายอยู่ก็ไหลไปหาตัวคนซึ่งสามารถมีสติระลึกรู้รูปนามด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางเป็นผู้รู้ผู้ดูอยู่ต่างหากเนี่ย นับตัวได้เลยนับตัวได้เลยน้อยนักนะที่จะมีสักคนหนึ่งกระทั่งในสำนักครูบาอาจารย์นี้ไม่ได้ปลามา่าบร่วงเกินท่านนะคือเห็นอย่างนั้นจริงๆท่านก็เห็นตั้งแต่สมัยหลวงพ่อเป็นคารวะยี่สิบกว่าปีก่อนเนี่ยหลวงพ่อสอนพวกเพื่อนๆไว้กลุ่มหนึ่งไปไหนก็นั่งรถตู้ไปด้วยกันนะพวกนี้ตื่นเหมือนที่พวกเราตื่นกันตอนนี้ ก็เข้าไปถึงสำนักครูบาาจารย์นะท่านมองปวับเลยบางองค์ออกปากเลยว่ามันไปรวมกันมาได้ยังไงเยอะขนาดนี้นี่สิบคนเยอะแล้วนะตอนนี้เป็นพันแล้วนะยุคนี้มีเป็นพันพันค น, นใจที่ตื่นขึ้นมาใจที่รู้ตัวขึ้นมา เห็นรูปมันอยู่ห่างๆเห็นนามมันอยู่ห่างๆเห็นทุกอย่างถูกรู้ถูกเห็นสักว่ารู้สักว่าเห็นใจเป็นแค่ผู้รู้ผู้เห็นอยู่ห่างๆไม่มีสติไปรู้รูปรู้นามมีใจตั้งมั่นอยู่ห่างๆเป็นแค่คนดูแต่ห่างๆเนี่ยไม่ได้บังคับเอาไว้นะมันห่างออกไปเองใจมันเดี๋ยวเต่นตั้งมั่นมันมีพลังแล้วมันตั้งมั่นขึ้นมาใจของคนทั้งหลายไม่ตั้งมั่นนะเแ็นคนทั้งหลายมันไหลไปเงั้นหลวงพ่อพูดถึงสภาวะสามแบบแล้วนะแบบที่หนึ่งไหล ไหลไหลไหลไหลไปหาอารมณ์แบบที่สองกลัวมันไหลเลยไปกดมันไว้พระละหันเนี่ยไม่ไหลไปโดยที่ไม่ต้องกด น, นี่เป็นข้อยกเวนน <ะ S 1> ้นแบบที่สามแบบที่หนึ่งไหลไปแบบที่สองกดเอาไว้แบบที่สามเนี่ยจิตซึ่งเคยฝึกอบรมมาดีแล้วนะยังเคยมาเรียนกรรมฐานฟังธรรมะมาดีแล้วเนี่ยจิตมันตั้งมั่นอยู่สักว่ารู้สักว่าเห็นอยู่ตั้งมั่นโดยที่ไม่ได้กดเอาไว้ นะแล้วก็สักว่ารู้ว่าเห็นสภาวะไม่ไหลไปตามสภาวะรู้สภาวะแต่ไม่ไหลาตามสภาวะนะรู้สภาวะโดยที่ไม่ไหลไปแต่ไม่ไหลไปด้วยกําลังของสติด้วยกําลังของสมาธินะยังไม่ใช่ไหลไปเพราะไม่ไม่ไมหลไปเพราะวิมุตต์ความหลุดพ้นโพลานกันนะพวกเราขณะนี้จํานวนมากนะหลายร้อยหรือเป็นพันพัน หลวงพ่อนับไม่ถูกแล้วไม่ได้ลงทะเบียนผู้ที่ตื่นขึ้นมะาลงไม่ได้เพราะมีทั่วโลกมางคนฟังจากอินเทอร์เนต็ตอยู่ต่างประเทศฟังไปก็ตื่นขึ้นมาก็มีนะไม่ใช่ไม่มีเยอะแยะเลยต่างจังหวัดนะถึงขนาดไปตามร้านขายซีดีไปขอให้เขาดาวน์โหลดมาไลฟ์ซีดีหลงพ่อขายกันนะแผ่นละสาสิบาทเราก็ไม่ว่าหรอกนะขายไม่ได้ากาไรมากนะ พอเ ข, เขฟังฟังนะใจเข้าสามารถตื่นขึ้นม า, นมารู้สึกตัวขึ้นมาใจไม่ไหลไปรู้สึกตัวขึ้นมาสักว่ารู้สักว่าเห็นได้ตรงใจที่ตื่นขึ้นมาสักว่ารู้สักว่าเห็นได้นี่เรียกว่าจิตมันมีสัมมาสมาธิตรงนี้แหละมันจะทําให้เกิดปัญญามันจะเห็นความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยล้วนแต่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนะการที่เห็นว่าทุกสิ่งผ่านมาแล้วผ่านไปทุกสิ่งไม่เที่ยงทุกสิ่งตนอยู่ในสภาวะอันใดนหนึ่งไม่ได้ทุกสิ่งเป็นไปเอง เป็นไปตามเหตุตามผลของมันไม่ใช่เป็นไปอย่างที่ใจเราต้องการบังคับไม่ได้เดี๋ยวนี้เรียกว่าเห็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเห็นไตรลักษณ์การที่เราเห็นกายเห็นใจแสดงไตรลักษณ์นั่นแหละคือคําว่าวิปัสสนาละวิปัสสนาต้องเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์หรือต้องเห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจวิปัสสนาไม่ใช่รู้กายรู้ใจนะอย่าสำคัญผิดถ้ารู้กายรู้ใจยังเป็นสมถะอยู่ต้องเห็นกายเห็นใจเป็นไตรลักษณ์ มีพระสูตรอยู่สูตรหนึ่งนะพวกเราคงไม่ค่อยได้เรียนกันถึงได้ทําผิดมากอย่างท่านสอนบอกว่าพิสูจทั้งหลายให้ครูบัรลังตั้งกายตรงดําโลสติเฉพาะหน้าหายใจออกนะก็รู้หายใจเข้าก็รู้นะลมหายใจระ ง, งับไปก็รู้เนี่ยเพราะเหตุที่เธอตามรู้ลมหายใจอยู่ยนี้จิตของเธอก็เลยตั้งมั่นไม่ฟุ้งซ่านเป็นธรรมเอกเกิดขึ้นมานะเห็นไม้มสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการรู้ลมหายใจคือสมาธิ ในในพระสูตรอันนี้ท่านสอนต่อไปอีกบอกว่าภิกษุทั้งหลายเมื่อยือนอยู่ก็เมื่อนั่งอยู่ก็รู้ชัดเมื่อนั่งอยู่นะเมื่อยือนก็รู้ว่ายือนอยู่เมื่อเดินรู้ว่าเดินเมื่อนอนรู้ว่านอนนะเมื่อภิกษุตามรู้อิริยาบถสี่ยืนเดินนั่งนอนไปเรื่อยๆเนะี่ยเธอย่ำหลุดออกจากโลกของความคิดพ้นจากความฟุง้งซ่านจิตของเธอสงบเข้าถึงความเป็นหนึ่งเป็นธรรมเอกเห็นไหมสิ่งที่ได้มาคือสมถะนะ หรือรู้อิริยาบถสี่รู้รู้สัมปชัญญะร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้สึกร่างกายหยุดนิ่งก็รู้สึกนะบอกเสร็จแล้วจะเกิดทำเอกใจตั้งมั่นขึ้นมานะทําไมมันเกิดอย่างนี้ขึ้นไดนะ้เพราะว่าการรู้นั้น่รู้โดยที่ยังไม่ได้มีสัมมาสมาธิเห็นไหมสมาธิมาเกิดทีหลังในขณะที่ไปรู้กายรู้ใจจิตไม่มีสมาธิจริงจิตไหลลงไป อยู่ที่กายจิตไหลลงไปอยู่ที่ใจใจจิตไหลแล้วไปนิ่งนิ่งอยู่นะงั้นพวกเราหลายคนที่ภาวนาไม่ใช่หลายคนนะพวกเราหลายแสนคนที่ภาวนานะเข้าคง้งเข้าคอสอะไรนี่แหละสังเกตให้ดีเราไปรู้กายรู้ใจใช่ไหมร่างกายมันเดินเรายกเท้าย่างเท้าเราท้องฟองท้องยุบหรือไปหายใจไปขยับมือรู้หมดเลยทําไมมันไม่เป็นวิปัสสนามันกลายเป็นสมถะเนี่ยหลวงพ่อพูดมานานแนละ้วมันทําแต่สมถะนะไม่ใช่วิปัสสนาแท้ เพราะไม่เห็นใจลักษณะอน่ะนะมัวแต่ดูที่ตัวอารมณ์ดูที่ท้องผ่องท้องยุบดูที่เท้าที่ยกย่างเหยียบนะดูที่มือที่เคลื่อนไหวและหยุดนิ่งดูที่ลมหายใจออกและลมหายใจเข้า mm. เราไปหลงดูตัวอารมณ์สิ่งที่เกิดขึ้นคือสมถกรรมฐานสมถานี้เกิดจากการเพ่งอารมณ์นะ แม้อารมณ์นั้นจะเป็นรูปเป็นนามก็ตามถ้าไปเพียงรูปเพ่งนามก็ได้สมถะเหมือนกันมิปัฏนานแท้ๆจะเกิดต่อเมื่อเห็นไตรลักษณ์ของรูปของนามเพราะฉะนั้นถ้าอยากเดินจงกรมแบบเป็นมิปัฏนานะเวลาเดินอยู่เนี่ยเห็นรูปมันเดินไปใจเราเป็นคนดูเห็นไหมต้องแยกเป็นสองอันนะเห็นร่างกายมันเดินใจเป็นคนดูอยู่ทางหากร่างกายที่กําลังเดินอยู่นี้ไม่ใช่ตัวเราี่ เริ่มถอดถอนความเห็นผิดแล้วว่ามันเป็นตัวเรานี่คือการเจริญปัญญาไม่ใช่เดินอยู่นะก็ไปเพ่งอยู่ที่เท้าหรือเพ่งร่างกายทื่อๆไปเรื่อยๆนั้นได้สมถะขนลุกขนพองตัวลอยตัวเบาตัวโปรงตัวเล็กตัวใหญ่ตัวลอยบางคนลอยนะหรือขนลุกสู้ซ่ารู้สึก บ, บ, บ, บุบบุบว่าบ้เหมือนมแมลงมาไต่ร่างกายเราไปสาคัญผิดว่าเป็นมิปัจฉนายานในความเป็นจริงเป็นอาการของปีติทั้งสิ้นเลยอาการของสมถะนะ เพราะฉะนั kind of balls, man, soup, nurture, man, ้นเราไปรู้รูปรู้นามรู้กายรู้ใจเนี่ยต้องรู้แบบเห็นไตรลักษณ์วิธีที่จะเห็นไตรลักษณ์นะใจต้องมีสัมมาสมาธิใจต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้เห็นอยู่เห็นร่างกายมันเดินนะใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันนั่งใจเป็นคนดูเห็นร่างกายมันนอนใจเป็นคนดูนะเห็นร่างกายหายใจออกหายใจเข้าจิตเราเป็นคนดูอยู่ต่างหาจิตที่มันตั้งมั่นแยกออกมาเป็นคนดูนัเรียกว่ามันมีสัมมาสมาธิ ในอภิธรรมถึงสอนบอกว่าสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาปัญญาคือการเห็นใจหลักนะสัมมาสมาธิเป็นเหตุใกล้ให้เกิดปัญญาเพราะฉะนั้นต้องมีสัมมาสมาธิใจต้องตั้งมั่นนะเห็นร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแยกกันอยู่นะเห็นเวทนาอยู่ส่วนหนึง่งความสุขความทุกข์อยู่ส่วนหนึง่งจิตอยู่ส่วนหนึงนะ่งมีช่องว่างมาคั้นนะมีระยะทางมาคัาน้นไม่ได้รวมเป็นเนื้อเดียวกันนี่พวกเราที่หัดใหม่ๆ หรือคนที่ยังไม่เคยหัดเลยเนี่ยจิตอารมณ์มันจะไหลไปรวมเป็นเนื้อเดียวกันเป็นก้อนเดียวกันพวกเราหัดฟังธรรมของหลวงพ่อไปเรื่อยนะสติที่แท้จริงเกิดใจมันตื่นขึ้นมาใจมันตั้งมั่นมีสมมาสมาธิขึ้นมาสัมมาสมาธิทําให้เกิดได้หลายแบบนะมีรายละเลอียดแจกแจงได้อีกเยอะแยะฟังวันเดียวไม่รู้เรื่องหรอกไม่ไม่จบอนะนะทนทนเนา ถ้าเมื่อไรมีสติรู้รูปรู้นามด้วยใจที่ตั้งมั่นมีสัมมาสมาธิเมื่อนั้นจะมีปัญญาเห็นไตรลักษณ์นะถ้ามีแต่สติใจไม่ตั้งมั่นแยกออกมาจะกลายเป็นการเพ่งกายเพ่งใจเพ่งรูปเพ่งนามเช่นรู้ลมหายใจเพ่งลมหายใจจิตเข้าไปแนบที่ลม รู้ท้องของยกจิตไปแนบที่ท้องรู้เท้าจิตแนบอยู่ที่เท้ารู้มือจิตไปแนบที่มือรู้เวทนาความปวดความเมื่อยจิติดจ่ออยู่ที่ความปวดความเมื่อยไปดูจิตดูใจก็ไปเพ่งจิตเขาอีกนะจิตไปจ่ออยู่ในจิตเร่องนั้นใช้ไม่ได้ทั้งสิ้นเลยเนะฉะนั้นพวกเราต้องค่อยๆฝึกนะอาศัยการฟังฟังหลวงพ่อพูดนะฟังครั้งเดียวฟังยากต้องฟังแล้วฟังอีกนะ ฟังด้วยใจเย็นๆฟังไปอย่างสบายใจฟังแล้วหัดสังเกตสภาวะไปฟังแล้วก็สังเกตกายสังเกตใจร่างกายเคลื่อนไหวคอยรู้สึกจิตใจเคลื่อนไหวคอยรู้สึกไปเรื่อยนะอย่าลืมกายอย่าลืมใจนะคอยรู้สึกนะไม่ใช่บังคับให้รู้สึกอย่างบางคนไปนั่งสมนั่งสกิดเนี่ยกาจะให้รู้สึกอย่างนี้ไม่รู้สึกนะบางคนกขยับรู้สึกรู้สึกรู้สึกอย่าเผลอย่าเผลอเนี่ยถูกหลอกทั้งสิ้นเล นะหรือพยายามรู้ลมหายใจแล้วจะให้รู้สึกไม่ให้เปลือย <c oughs> <c oughs> อย่างนี้ไม่ได้เรื่องนะใช้ไม่ได้รู้สึกนะไม่ใช่พยายามอะไรให้มันเกินธรรมดาธรรมดาธรรมดานะธรรมดาดีที่สุดรู้ไปอย่างธรรมดาใจจะสบายสบายรู้อย่างสบายสบายก็จะเห็นกายมันเคลื่อนไหวเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอย่างไม่มีส่วนได้เสีย ถ้าเข้าไปรู้ไปดูแบบมีส่วนได้เสียน้ำจะเข้าไปบังคับทั้งสิ้นเลยนะจะไปบังคับเช่นเราเห็นจิตมันเคลื่อนไหวเรามีส่วนได้เสียเราไปดูแล้วไม่อยากให้เคลื่อนนะอยากให้อยู่นิ่งๆเนี่ยนะหรือจิตเข้าไปแนบกับอารมณ์เราไม่อยากให้แนบพยายามดึงยำดึงพยายามดึงจิตให้ออกจากอารมณ์ใช้ไม่ได้ทั้งสิ้นนะเวลาที่จิตเมื่อใดจิตรู้สภาวะธรรมตรงกลางความเป็นจริงนะจิตจะแยกตัวออกมาเองนะ เมื่อใดจิตรู้สภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงจิตจะแยกตัวออกมาเองโดยที่เราไม่ต้องดึงยกตัวอย่างง่ายๆเช่นจิตเราแอบไปคิดจิตเราหลงไปคิดเห็นไหมมันไหลไปไหลไปทางใจไหลไปคิดทันทีที่เรามีสติรู้ทันว่าจิตไหลไปคิดจิตจะตื่นขึ้นในฉับลันนั้นเลยจิตจะหลุดออกมาโลกของความคิดรู้ตื่นขึ้นมาได้ฉับรันเลยเป็นเองนะไม่ต้องดึงนะมันหลุดออกมาเอง ถ้าเรารู้สภาวะธรรมตรงตามความเป็นจริงงานก็คือเบื้องต้นหัดรู้สภาวะไปเรื่อยๆนะไม่ต้องเรียนอะไรมากหรอกหลวงพ่อพูดให้ฟังเยอะๆเนี่ยพูดไว้เผื่ออนาคตด้วยนะตอนนี้หน้าที่ตอนนี้ก็คือหัดรู้สภาวะเรื่อยๆนะจะรู้สภาวะก็คือรู้กายรู้ใจนันะ่นแหละสิ่งที่เรียกว่าสภาวะธรรมก็คือกายกับใจรูปกับนามคอยรู้สึกกายคอยรู้สึกใจอย่าลืมกายอย่าลืมใจนะรู้สึกใจรู้สึกใจเรื่อยๆ เมื่อรู้สึกกายรู้สึกใจแล้วนะก็ดูมันไปดูกายดูใจเขาทางานไปจะเห็นว่ามันเป็นไตรักษนี<อ>่ไม่ใช่พอรู้สึกกายรู้สึกใจก็เพ่งกายเพ่งใจกําหนดกายกําหนดใจใช้ไม่ได้อนะงัสรุปง่ายๆนะอย่าลืมกายอย่าลืมใจกายมีอยู่ก็รู้สึกนะจิตมันมีอยู่ก็รู้สึกไปเรื่อยพอรู้สึกแล้วก็รู้กายอย่าง <t> ที่มันเป็นกายเป็นย <t> ั <t> งไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นจิตเป็นไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นดูมันทํางานไปเรื่อยๆ อยจิตมันไปคิดรู้ว่ามันไปคิดจิตมันโกรธรู้ว่าโกรธจิตมันโลภรู้ว่ามันโลภจิตเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอย่างนั้นร่างกายเป็นยังไงรู้ว่าเป็นอางนั้นเช่นร่างกายหายใจออกร่างกายหายใจเข้ารู้ไปเห็นมันหายใจออกเห็นมันหายใจเข้าพอเราไปเห็นมันหายใจออกเห็นมันหายใจเข้ามันจะเห็นเลยมันไม่ใช่เราหรอกนะมันเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ามันหายใจออกมันหายใจเข้าไม่ใช่เราหายใจ เห็นร่างกายมันยืนเห็นร่างกายมันเดินเห็นร่างกายมันนั่งเห็นร่างกายมันนอนไม่ใช่เรายืนเดินนั่งนอนนะแใจมันจะแยกออกมาเป็นคนรู้อยู่ห่างๆไม่มีตัวเรานฝะึกไปนะฝึกไปอ่ะ8โมงพอดีเชิญไปทานข้าวยังไม่ได้ตรวยกันบ้านหลวงพ่อประมาทไปนิดหนึ่งว่าโยมน้อยเลยเทศให้ฟังก่อนตอนนี้โยมเริ่มงอกงอกออกมาน ะ, ะเชิญไปทานข้าวไปทนฟังนะบอกให้ซื่ อ, อเลยนะ ฟังฟังไว้วันหนึ่งจะต้องใช้นิมนต์ครับนิมนต์